จึงจะมีความจำดีพรรัตนสุวรรณคำพีอภิธรรมเป็นคำพีที่อธิบายเรื่องจิตใจอย่างละเอียดที่สุดโดยเฉพาะในด้านที่เราต้องการจะรู้ว่าความจำคืออะไรเกิดจากอะไรทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีข้าพเจ้าคิดว่าคงจะไม่มีตาราเล่มไหนในโลกที่อธิบายเรื่องความจำได้ละเอียด ยิ่งไปกว่าคำผีอภิธรรมแต่คนที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอภิธรรมให้ทั่วจึงจะสามารถหยิบประเด็นในเรื่องนี้ออกมาปฏิปต่ อ, อ ก, กันและในที่สุดทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้โดยละเอียดนักศึกษาอภิธรรมที่ไม่รู้จักปฏิปต่ปตอรเรื่องหรือไม่รู้จักประยุกจะมองไม่เห็นว่าในคำพีอภิธรรม แ้แนวทางเกี่ยวกับเรื่องการฝึกความจำไว้อย่างละเอียดและยังมีประสิท ธ, ธิภาพด้วยซึ่งถ้าคนไหนปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนความจำเมื่อพูดในภาษาไทยเราเข้าใจกันดีว่าหมายความอย่างไรแต่คนส่วนมากไม่รู้จักส่วนประกอบว่าความจำเกิดจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้น ก่อนเดินข้าพเจ้าจะให้ท่านศึกษาหลักอภิธรรมบางตอนเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าใจส่วนประกอบของความจำได้อย่างจำแจ้งในคำผีอภิธรรมได้กล่าวไว้ว่าเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตเจ็ดอย่างดังที่กล่าวต่อไปนี้เรียกว่าสัพพสาารณะเจตสิกแปล ว, ว่า เจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเจตสิกเจ็อย่างนี้คือหนึ่งผัสสะ 2. เวทนา 3. สัญญา 4. เจตนา 5. เอกคตา 6. ชีวิ ต, ตินทร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 ก็คืออายตนะภายนอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสิ่งต้องายธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจเนื้อคิดตัวอย่างเช่นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปพัสสะแปลว่าการกระทบกับอารมณ์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 และคําว่าจิตเกิดก็หมายถึงการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายและความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นคือหมายถึงวิญ ญ, ญาณทั้งหกเกิดขึ้นโปรดระวังให้ดีคนส่วนมากมักชะล่าใจโดยคิดว่าตนเองเข้าใจคําว่าจิตเกิดหรือจิตดับถูกต้องดีแต่ครั้นซักถามเข้าจริงๆ ส่วนมากจะตอบเปรอะหรือตอบไม่ชัดหมายเหตุผู้อ่านสำหรับผู้มาใหม่อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะครับแนะนำให้ศึกษาจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายซึ่งความเข้าใจเบื้องต้นนั้นจะทำให้การศึกษาต่อมาเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ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 ผละภาสิ่งต้องกายธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนื้อคิดและวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ได้แก่จักขูวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตารู้รูปด้วยตาคือการเห็นโสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคือรู้เสียงด้วยหูคือได้ยิน คานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกคือรู้กลิ่นด้วยจมูกคือได้กลิ่นชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นคือรู้รสด้วยลิ้นคือรู้รสกายาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายคือรู้ผลทัพบะด้วยกายรู้สึกสัมผัสทางกายและมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจ คือรู้ธรรมารมด้วยใจรู้ความนึกคิดซึ่งสามสิ่งนี้คืออายตนะภายในบวกอายตนะภายนอกบวกวิญญาณจึงเป็นภัสสะภัสสะหรือสัมผัสในทางธรรมนั้นมีหกอย่างคือจักขู่สัมผัสความกระทบทางตา ตาบวกรูปบวกจกกักรุกวิญญาณคือการเห็นโสตสัมผัสความกระทบทางหูหูบวกเสียงบวกโสตวิญญาณคือการได้ยินคานาสัมผัสความกระทบทางจมูกคือจมูกบวกกลิ่นบวกคานาวิญญาณคือการได้กลิ่นจิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้น คือลิ้นบวกรสบวกชิวหาวิญญาณคือการรู้รสกายะสัมผัสความกระทบทางกายคือกายบวกพลถัพทะคือสิ่งต้องกายบวกกายะวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางกายมโนสัมผัสความกระทบทางใจคือใจบวกธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทางใจ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 จะต้องมีเวทนาทั้ง3ามอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยเสมอเจตสิกเจอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่3สัญญาการกาหนดหมายในอารมณ์หรือการทาเครื่องหมายในอารมณ์ หมายเหตุหรือโดยมากท่านปลายกันว่าความจำได้หมายรู้นะครับเหมือนอย่างช่างไม้เมื่อจะทำโต๊ะหรือเก้าอี้ซึ่งบางทีก็ต้องทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้เพื่อให้จำได้ว่าไม้ส่วนนี้จะทำเป็นขาหน้าหรือขาหลังหรือจะทำไว้ที่ส่วนไหนตรวจจำไว้ให้ดีว่าสัญญาไม่ได้หมายถึงการจาได้หรือการนึกย้อนหลังได้ เราะคำว่าจำได้นั้นหมายถึงนึกย้อนหลังได้ว่าอะไรเป็นอะไรสัญญาไม่ได้มีความหมายอย่างนี้บางครั้งที่แปลกันว่าสัญญาคือความจำนั้นเป็นการแปลยอย่างขอไปทีโปรดสังเกตให้ดีว่าทุกครั้งเมื่อจิตหรือวิญญาณได้กระทบกับอารมณ์อะไรพร้อมกันนั้นมันจะต้องทําเครื่องหมาย รดยกำหนดหมายไว้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรส่วนการที่จะนึกย้อนหลังได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องของสัญญาการนึกย้อนหลังได้ซึ่งภาษาไทยเราพูดกันว่าจำได้นั้นทางภาษาบาลีเรียกว่าสติซึ่งแปลว่านึกได้หมายความว่า อะไรที่ผ่านเข้าไปสู่ใจหรือเคยรู้เคยเห็นมาแล้วในเมื่อนึกย้อนหลังได้เราเรียกว่าจำได้อาการอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าสัญญาแต่เรียกว่าสติสัญญาเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะแต่สติเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นในบางขณะเท่านั้น เจตสิกเอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่4เจตนาความตั้งใจคำนี้อาจจะแปลว่าความสนใจความมุ่งหมายความสะดุดใจก็ได้เช่นเมื่ออะไรผ่านสายตาถ้าไม่สะดุดตาหรือไม่สะดุดใจการเห็นจะไม่เกิด อาการที่สดุดตาหรือสดุดใจก็คือเจตนาโปรดจำไว้ว่าอะไรที่ผ่านตาผ่านหูหรือผ่านประสาส่วนไหนก็ตามถ้าไม่มีอาการสะดุดใจหรือไม่ตั้งใจไม่สนใจที่จะดูหรือฟังการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้เป็นกฎตายตัวซึ่งมีกล่าวไว้ในหลักปฏิจจสมุ ป, ปาทว่า สังขารคือเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่เกิดข้อสำคัญอย่าเข้าใจคำว่าเจตนาแต่เพียงว่าความตั้งใจหรือความมุ่งหมายเท่านั้นแม้ความตั้งใจเบาๆหรือการสะดุดใจเพียงเล็กน้อยหรือความสนใจเพียงเล็กน้อยก็เรียกว่าเจตนาในที่นี้ หมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าสังขารนั้นเมื่ออยู่ในแต่ละประโยคนั้นสามารถแปลดได้ต่างกันนะครับบางแห่งแปลว่าความปรุงแต่งทางใจหรือความปรุงแต่งทางกายบางแห่งหมายถึงขันห้าทั้งหมดหรือหมายรูปและนามคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงบางแห่งหมายถึงร่างกายแต่ในที่นี้หมายถึงเจตนา ความตั้งใจความสนใจซึ่งการเข้าใจความหมายไม่ตรงกับบริบทในแต่ละประโยคที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในธรรมได้นะครับท่านเปรียบไว้ว่าคำว่าสังขารก็คล้ายกับหลายคำในภาษาไทยเช่นคำว่าเขาเมื่อไปต่อท้ายคำต่างๆก็จะแปลความหมายได้ต่างกันเช่นนกเขาของเขาภูเขาหรือเขาควายเป็นต้น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 มีแต่มโนวิญญาณเกิดติดต่อกันไปทุกขณะจิตเป็นเวลานานๆแล้วจะพบว่าช่วงขณะที่นึกถึงอ่ะนั้นจิตเกิดดับหลายขณะมาเหตุผู้อ่านคือในแต่ละวินาทีนั้นจิตมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วหลายครั้งติดต่อกันคล้ายกับแสงไฟ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 ก็แปลว่ามันตายแต่โดยธรรมดาถ้าคนเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตในด้านนามธรรมจะสืบต่ออยู่เสมอมันจะอยู่จริงๆชั่วระยะหนึ่งก็ในเวลาที่วิญญาณจุติคือตายหรือเคลื่อนจากพบเก่าเท่านั้นแต่แล้วมันก็ตั้งต้นใหม่อีกซึ่งช่วงที่ห่างกันก็มีอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นถ้าจะพูดอีกในยะหนึ่งก็แปลว่า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 สภาพสาธารณะเจตสิกเจตสิกที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่7มโนสิการการเก็บไว้ในใจคํานี้มีความหมายหลายอย่างเช่นหมายถึงการใช้ความคิดก็ได้แต่เฉพาะในที่นี้หมายถึงเมื่อวิญญาณได้พบเห็นหรือได้ผัสสะคือสัมผัสกับอารมณ์อะไรในเมื่อมันได้กําหนดสั ญ, ญลักษณ์ ของสิ่งนั้นไว้แล้วซึ่งการกำหนดสั ญ, ญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญญาและพร้อมกันนั้นมันจะเก็บหรือฝังสั ญ, ญลักษณ์อันนั้นไว้ในใจทันทีคล้ายกับฟิล์มถ่ายรูปเมื่อเปิดหน้ากล้องทำการถ่ายแสงผ่านเลนส์เข้าไปถึงฟิล์มแล้วฟิล์ม ก, ก็จะเก็บภาพไว้ทันทีโปรดจำให้ดีว่าเมื่อใจได้กระทบกับอารมณ์อะไร แล้วก็เก็บสัญลักษ์ไว้ในใจนี้เมื่อพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือการถ่ายสัญลักษ์แล้วเก็บไว้ในใจนั่นเองลักษณะ น, นี้เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเจตสิกทั้งเจ็ดอย่างดังที่ได้อธิบายมานี้ขอให้พยายามศึกษาให้ละเอียดแล้วท่านจะได้หลักในการเสริมสร้างความจำให้ดีขึ้นจนกระทั่งในที่สุด สมองของเราจะเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องบันทึกเสียงคืออะไรที่ผ่านเข้าไปในใจเพียงครั้งเดียวก็จะเก็บรักษาไว้ได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติอย่างนี้ครบถ้วนทุกประการเพราะปรากฏว่าอะไรก็ตามที่พระองค์ได้เห็นหรือได้ฟังหรือได้นึกคิดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็จะทรงจาไว้ได้ทั้งหมดไม่ทรงเคยลืมเลยจะเป็นเวลากี่ปีก็ไม่ทรงลืมแม้ว่าเรื่องต่าง จะผ่านมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันเรื่องจะสับสนสักเพียงไรก็ทรงจำไว้ได้ทั้งหมดเสมือนหนึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ด้วยฟิล์มหรือด้วยเครื่องบันทึกเสียงท่านผู้อ่านคงจะสนใจว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงได้ทรงมีมันสมองเลิศถึงป่านนี้หมายเหตุผู้อ่านซึ่งสติที่สมบูรณ และสามารถทำให้ทรงจำเรื่องต่างๆไว้ได้ดีนั้นตัวอย่างก็มีให้เห็นจากการจดจำพระไตรปิฎกที่เหล่าพระอาหารหันต์ท่านต่างจดจำกันได้ดีก่อนนำมาเรียงร้อยเป็นคาถาให้ท่องให้สวดและการสืบต่อพระไตรปิฎกตั้งแต่อดีตนั้นใช้การสวดเป็นการท่องจำกันมานานก่อนที่จะมาบันทึกเป็นตัวอักษรในหนังสือนะครับ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 ซึ่งต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะได้อธิบายถึงส่วนประกอบของจิตใจที่มีความจำดีว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นที่รู้กันดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราจะมีความจำดีหรือไม่ดีความสำคัญอยู่ที่สมองเช่นเด็กทารกเนื่องจากสมองยังไม่เจริญฉะนั้นจึงจำอะไรไม่ค่อยได้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 อยากเก็บอารมณ์ที่เสียไว้ในจิตใจนานๆคนเราเมื่อเกิดแล้วก็ต้องถ่ายร่างกายยอมทำการขับถ่ายสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากร่างกายอยู่เสมอซึ่งการกินกับการถ่ายมีการสมดุลกันอย่างดีแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงอยู่เสมอในด้านจิตใจก็เหมือนกันเด็กๆที่มีความจาดีก็เพราะอารมณ์ค้างไม่ค่อยมี ให้สังเกตว่าอะไรที่ทำให้เด็กสะเทือนใจมันจะฝังอยู่ไม่นานเด็กเด็กเปลี่ยนอารมณ์ง่ายความยึดถือในสิ่งต่างๆยังไม่เหนียวแน่นแต่พอโตขึ้นอารมณ์ค้างค่อยๆมีมากขึ้นถ้าเด็กคนไหนเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งมีอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจมากและอารมณ์ที่เก็บไว้นั้นส่วนมากก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีคือทาให้จิตใจไม่สบาย ก็เป็นอันหวังได้ว่าเด็กคนนี้เมื่อโตอขึ้นจะต้องเป็นโรคประสาทอย่างแน่นอนและความจำก็จะเสื่อมเร็วจะกลายเป็นคนป้ามเปอรหรือใจลอยอยู่เสมอสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความจำมักจะเสื่อมกันเร็วก็เนื่องจากอารมณ์ค้างซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมีมากและอีกประการหนึ่งความทะเยอทะยานหรือความโลภ ก, ก็มีมากกว่าเด็ก ความยิงในตัวเองก็มีมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดความสะเทือนใจในเรื่องอะไรแล้วก็มักจะฝังอยู่นานคลายออกได้ยากนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความจำเสื่อมเร็วสมองเป็นกรร ม, มชรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากวิบา ก, กรรมความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดาน ก็คือวิบากต่างๆนั่นเองจงพิจารณาดูให้ซึ้งในเมื่ออารมณ์เสียคือวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆสมองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากมันก็ต้องไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะเจ้าของคอยแต่จะสะสมวิบากที่ไม่ดีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาจะเป็นคนมีความจำดีอยู่เสมอต้องคอยระวังให้มาก อยากเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจนานๆ2แม้อารมณ์จะไม่เสียคือเป็นอารมณ์ประเภทที่ทําให้เกิดความดีใจเกิดความตื่นเต้นแม้อารมณ์ประเภทนี้ก็ควรรู้จักปล่อยวางเพราะคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์แม้จะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตาม ก็ทำให้ความจำเสริอมได้ง่ายเหมือนกันประรอดที่จะวัดว่าใครจะมีความจำดีหรือไม่ดีเก็บอารมณ์ค้างไว้ได้นานหรือไม่นานก็คือสมาธิคนที่เข้าสมาธิง่ายคือเข้าดื้อรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีใจก็สงบมีความแจ่มใสเกิดขึ้นจากภายในและทำได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไร คนประเภทนี้แสดงว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไว้ไม่นานคือแปลว่าถ้าจะเสียใจหรือโกรธเกลียดใครก็อยู่ได้ไม่นานถึงแม้จะรักชอบหรือต้องการอะไรเนื่อไม่เห็นว่าสมควรจะปล่อยวางก็ปล่อยได้ง่ายตัดใจได้ง่ายคนประเภทนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์ไว้ไม่นานคนที่มีลักษณะอย่างนี้จะเป็นคนมีความจำดี แต่จะดีแค่ไหนก็อย่าลืมนึกถึงพื้นฐานเดิมที่มีมาตั้งแต่เกิดด้วยคนที่จะมีความจำดีหรือไม่ดีปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับสมองถ้าสมองของคนนายดีมาตั้งแต่เกิดการที่จะฝึกให้มีความจำดีก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่ถ้าสมองไม่ดีมาตั้งแต่เกิดจะมาฝึกในภายหลังก็อาจจะทำได้ แต่ก็จะได้ไม่ดีเท่าไหร่นักข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสมองเป็นกรร ม, มชรูคือเป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิบากของกรรมซึ่งหมายความว่าการที่จะสร้างสมองให้ดีนั้นจะต้องสร้างวิบากที่ดีหลายอย่างเช่นต้องหัดให้เป็นคนมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออย่าเก็บอารมณ์ที่เสียให้ค้างอยู่ในจิตใจนานๆแม้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้น หรือทำให้เกิดความดีใจก็ต้องรู้จักระ ง, งับรู้จักปล่อยวางเพราะอารมณ์ประเภทนี้ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้ง่ายซึ่งอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อนเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปจะได้อธิบายต่อจากที่เคยอธิบายมา 3. ต้องหัดให้เป็นคนมีสติอยู่กับตัวเสมอสติหมายถึงการรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังพูดกำลังทำหรือกำลังคิดอะไรคนที่สวดมนต์ปากว่าไปได้แต่ใจไม่อยู่กับคำสวดมนต์คือไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้ตนกำลังสวดถึงคำไหนอย่างนี้เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัว คนที่กำลังทำอะไรอยู่เช่นซักผ้าทากับข้าวกวาดบ้านถูเรือนหรือทำอะไรก็ตามมือก็ทำไปได้ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันนั้นใจก็เที่ยวไปนึกถึงอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวคนที่พูดอะไรออกไปแล้วจำไม่ค่อยได้ว่าตนได้พูดอะไรออกไปบ้างก็แปลว่าในขณะที่พูดนั้นไม่รู้ตัวว่ากาลังพูดอะไร อย่างนี้ก็เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัววิธีจะฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวก็คือการมันสวดมนต์มันฝึกสมาธิละหัดทำทุกอย่างโดยที่ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้กำลังทำอะไรหลักใหญ่ของการฝึกเพื่อให้มีความจำดีก็คือการหัดให้มีสติอยู่กับตัวการฝึกสมาธิในความหมายที่แท้จริง ก็คือการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอทุกขณะจิตนั่นเองคนที่จะมีความจำดีนั้นสมองจะต้องปราณีตและความพราณีตอันนี้จะต้องมีมาตั้งแต่เกิดจึงจะสามารถฝึกความจำให้ดีได้ง่ายแต่ถ้าคนไหนพื้นเดิมสมองไม่ปราณีตนักการฝึกในภายหลังก็อาจจะทำให้ดีขึ้นมาได้บ้างแต่จะให้ดีจริงๆนั้น มาจจะเป็นการยากแต่อย่างไรก็ดีการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอซึ่งไม่เฉพาะแต่ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นแม้ในเวลาปกติก็ต้องหัดให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทำหรือถ้อยคำที่กำลังพูดและเมื่อกำลังคิดอะไรอยู่หรือในใจมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็หมั่นกาหนดให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า เรากำลังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นๆคนที่หมันบันทึกเหตุการณ์ประจำวันซึ่งรวมทั้งบันทึกความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งหนึ่งก็เป็นการฝึกความจำได้อย่างดีเหมือนกันคนที่หัดท่องจำอยู่เสมอซึ่งถ้าจะจำอะไรก็พยายามอ่านให้เข้าใจจัดระเบียบให้ดีแยกยก่ประเด็นต่างๆออกให้เป็นระเบียบและหัดท่องจำจนกระทั่งขึ้นใจ วิธีการอันนี้ก็คือการฝึกหัดเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวเพราะในขณะที่ท่องเราจะต้องคอยบังคับใจให้อยู่กับข้อความที่เราจะจํามีฉะนั้นแล้วเราก็จะจําไม่ได้เพราะฉะนั้นการหัดท่องจําสิ่งใหม่ๆที่ต้องการจะจําตลอดถึงการทบทวนสิ่งที่จําได้อย่างแม่นยําเช่นในกรณีของการสวดมนต์ซึ่งเราจําได้แม่นยําแล้ว แต่ก็ต้องพยายามสวดทุกๆวันซึ่งในขณะที่สวดนี้เมื่อหัดบังคับใจให้อยู่กับคำสวดมนต์ได้ทุกคำก็แปลว่ามีสติอยู่กับตัววิธีการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีฝึกความจำให้ดีขึ้นทั้งสิน้นและจงสังเกตว่าคนที่ไม่พยายามหัดท่องจำอะไรให้แม่นยำชอบฟังอะไรผันผ่านหรืออ่านหนังสืออะไรผันผ่าน ไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และจําให้แม่นพวกนี้ความจําเสื่อมเร็วแต่ตรงกันข้ามถ้าคนไหนหัดท่องจํามาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งแก่ก็ยังหัดท่องจําอยู่เสมอก็เปรียบเหมือนคนที่มันออกกำลังกายอยู่เสมอคนที่หัดท่องจําแบบนี้จะเป็นคนมีความจําดีแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตาม หลักใหญ่ของการฝึกความจำอยู่ที่การฝึกสมาธิแต่อย่าลืมว่าการฝึกสมาธิมาถึงการหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอและต้องพยายามหัดทุกๆโอกาสไม่ว่าจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็ต้องพยายามหัดอย่าปล่อยให้ความฟุ้งซ่านหรือการสร้างวิมานในอากาศเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะอันนี้เป็นเครื่องทำลายความจำอย่างมากที่สุด คนที่หัดให้มีสติอยู่กับตัวตามวิธีดังที่ได้กล่าวมาเมื่อทำบ่อยๆจนเกิดความเคยชินเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีลนะักษณะอย่างที่เรียกกันในทางตะวันตกว่าสมองเป็นลิ้นชักกล่าวคือเมื่อกำลังทำอะไรอยู่ก็จะมีแต่เรื่องนั้นและเมื่อเปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็จะหายไปทันทีมีแต่เรื่องใหม่ๆล้วนๆอารมณ์ค้างจากเรื่องเก่าไม่มี ถ้าหากคนไหนฝึกจิตใจมาได้จนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วก็จะเป็นคนที่เกิดมามีความจำดีทุกชาติแต่ก็อย่าลืมว่าการฝึกหัดเพื่อให้ได้ผลอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานา น, านต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากเราจะต้องค่อยๆสะสมวิบากในเรื่องนี้ไวท้ทีละเล็กละน้อยนานๆเข้าก็จะดีขึ้นเอง คนที่ไม่สามารถจะหัดให้มีสติอยู่กับตัวได้เสมอ ER นั้นเป็นเพราะสะสมอารมณ์ที่เสียไว้ในจิตใจมากอารมณ์ค้างต่างๆในส่วนที่ไม่ดีมีมากเพราะเหตุนี้หลักเบื้องต้นของการฝึกความจําดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าอยากเก็บอารมณ์เสียไวนานแม้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความดีใจหรือตื่นเต้นก็ต้องหัดปล่อยวาง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 เนื่องจากหลักสูตรที่บังคับให้เรียนมีหลายวิชาและแต่ละวิชาก็มีมากเวลาเรียนก็ไม่ค่อยจะพอเพราะฉะนั้นจึงเรียนการศักต่ว่าพอให้ผ่านๆไปมีความรู้กว้างคือรู้หลายอย่างแต่ความรู้แต่ละอย่างไม่ลึกซึ้งการศึกษาแบบนี้เป็นการทำลายสมองอย่าลืมว่า สมองเป็นกรรมมัชรูปสมองจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างคุณสมบัติให้แก่จิตใจคนที่หมั่นฝึกสมาธิแล ะ, จะเจริญวิปัสสนาในความหมายดังที่ได้อธิบายมาซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้กับวิชาทุกขแขนงอันนี้ล่ละคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราเกิดมามีสมองดีหรือมีความจำดี ข้อที่ห้าอย่ามีความโลภในการเรียนซึ่งหมายความว่าเป็นเขาเรียนอะไรก็อยากจะเรียนไปเสียทุกอย่างแต่ครั้นแล้วก็จะเรียนทุกอย่างตามความปรารถนาไม่ได้เพราะเวลาไม่มีโอกาสที่จะเรียนไม่มีหรือทุนในการเรียนไม่มีแต่ความอยากเรียนก็ยังมีอยู่เสมอความรู้สึกอย่างนี้บางคนก็ถือว่าเป็นของดี คือแสดงว่าเป็นผู้ใส่ใจในการศึกษาอยู่เสมอคนประเภทนี้คิดจะมีการก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณากันให้ดีแล้วคนที่มีความโลภในการเรียนจะเป็นคนเก่งไม่ได้และมักจะเอาตัวไม่รอดเพราะรู้อะไรก็ไม่รู้จริงคนที่จะมีความรู้ดีมีความสามารถดี ซึ่งหมายถึงต้องมีความจำดีด้วยนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักสันโดษในเรื่องการเรียนกล่าวคือพอใจเฉพาะแต่ในสิ่งที่ตนสามารถจะเรียนได้หรือมีโอกาสที่จะเรียนได้ดีเท่านั้นคนเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องรู้อะไรทุกอย่างเมื่อเราเรียนอะไรเก่งได้อย่างหนึ่งแล้วก็ควรจะพอใจแล้วส่วนเรื่องอื่นที่เราไม่รู้ เราก็ไปสแสวงหาเอาจากผู้ที่เขาชำนาญในเรื่องนั้นๆเช่นเราไม่ใช่หมอและไม่มีโอกาสที่จะเป็นหมอแต่ในเมื่อเรามีความสามารถในด้านอื่นพอที่จะเลี้ยงตัวได้เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากหมอได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเป็นหมอเสเองคนที่ต้องการจะมีความจำดีควรจะมีหลักอยู่ในใจว่า เมื่อเราต้องการจะเอาเก่งในทางไหนก็ควรจะมุ่งแต่ทางนั้นทางเดียวเรื่องอื่นปล่อยให้คนอื่นเข้าเก่งถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนี้จิตใจเราจะไม่สับสนและขอให้สังเกตว่าในเมื่อเรามุ่งทางเดียวเรามีโอกาสที่จะฝึกความจำสร้างสมองให้ดีได้ตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วแต่อย่างไรก็ดี การที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างสบายนั้นเราก็ควรจะต้องมีความรู้รอบตัวด้วยไม่ใช่รู้เฉพาะแต่เรื่องของตัวเองที่ได้เรียนมาอย่างเดียวเท่านั้นคนที่จะสามารถเห็นอะไรได้ดีได้ยินอะไรได้ชัดและไวจะต้องเป็นคนที่มีประสาตตาและประสาทหูดี และที่ว่าดีนี้ไม่ใช่ดีแต่เฉพาะประสาทแต่หมายถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นและการได้ยินจะต้องสมบูรณ์ดีทุกอย่างด้วยในทำนองเดียวกันคนที่เห็นอะไรแล้วหรือได้ยินอะไรแล้วหรือนึกคิดอะไรออกมาแล้วจะสามารถจําได้ว่องไวและจําได้นานคล้ายกับบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกเสียงนั้นปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ที่จะต้องมีสมองดีอย่างพิเศษมาตั้งแต่เกิด พระเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วหลายตอนว่าสมองเป็นกรรมมัชรูปคือเป็นสิ่งที่เกิดมาจากวิบากของกรรมโดยตรงและวิบากที่ว่านี้ก็หมายถึงวิบากของตัวเองอันหนึ่งถึงแม้ความจริงจะมีอยู่ว่าคนเราเกิดมาจะมีสมองดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับกรรมันธั์ด้วยแต่ปัญหาสาคัญก็มีอยู่ว่าวิญญาณของผู้ใด จะไปปฏิสนธิในตระกูลไหนมีพ่อแม่อย่างไรนั่นก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวกล่าวคือระหว่างวิญญาณของตัวกับวิญญาณของพ่อแม่จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกันจึงจะสามารถดึงดูดเข้ามาหากันได้และเมื่อเกิดมาแล้วคือนับจําเดิมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จะได้สิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับวิบากของตัวอีกเหมือนกัน เพราะหลักมีอยู่ว่าสังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งหมายความว่าคนเราเมื่อเกิดมาจะได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับวิบากวิญญาณจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับวิบากตายแล้ววิญญาณจะไปปฏิสนธิในภพไหนในภูมิไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบาก หลักต่างๆในการเสริมสร้างความจำเท่าที่อธิบายมาแล้วทั้งหข้อนั้นก็คือสิ่งที่จะเสริมสร้างวิบากในทางที่ดีเพื่อให้สมองมีความพิเศษดีขึ้นโดยลําดับสำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าคนที่จะเกิดมามีสมองดีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งคือการสาธยายมนหรือการสวดมน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 เช่นคําว่าจากขุณสี่อินรี่คือตาโสตินรี่อินรี่คือหูอย่างนี้เป็นต้นและหมายถึงอินรี่ห้าคือศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญาซึ่งเรียกว่าสัจทินรี่อินรีย์คือศรัทธาวิริยินรี่อินรีย์คือวิริยะอย่างนี้เป็นต้น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 ที่จะทำได้ผลดีก็คือการสอนวิชาศิลธรรมหรือการสอนศาสนาขอยํำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่จะมีความจำดีอย่างวิเศษนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรากฐานสำคัญสองประการคือประการที่หนึ่งระบบประสาท จะต้องวิวัฒนาการมาในระดับที่สูงมีคุณสมบัติที่พิเศษหลายอย่างและประการที่สองจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นคุณธรรมหรือพื้นจิตใจขอให้จำคำว่าอินทรียบริสุทธิ์เป็นหลักเข้าไว้คือคนที่จะมีความจำดีจะต้องเป็นคนที่มีอินทรียบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงระบบประสาทจะต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากสิ่งที่เป็นพิษและคุณสมบัติต่างๆที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ประสาทจะต้องถูกสร้างขึ้นมาจากสารประกอบที่พิเศษซึ่งในเรื่องเหล่านี้ในวงการแพทย์อาจจะอธิบายได้ดีและอาจจะสร้างอาหารหรือตัวยาบางอย่างขึ้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมองได้แต่ก็อย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าสมองเป็นกรร ม, มชรูป วิวัฒนาการของสมองย่อมขึ้นอยู่กับวิบากที่ดีและต้องทำมานานนับกันเป็นร้อยร้อยชาติและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเกิดมามีมันสมองดีจริงพร้อมที่จะเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าหากพื้นจิตใจไม่สูงสมองของเขาก็จะปราดเรืองแต่ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะจะไม่ปราดเรืองทุกทาง และในบางเรื่องก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะสร้างความจำให้ดีวิเศษจะต้องพยายามเสริมสร้างคุณธรรมห้าอย่างให้ประนีตและสูงกล่าวคือ 1. สศรัทธาต้องมั่นคงและผองใสคือหมายความว่าเมื่อจะเชื่ออะไรต้องมีความแน่ใจและใกล้ครวญแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริง 2ความเพียรก็ต้องเข้มแข็งคือไม่มีความขี้เกียจแทรกซึมอยู่ไม่มีความเบื่อหน่ายหรือการยอมแพ้อย่างง่ายๆแทรกอยู่ในความเพียร3จะสติก็อยู่ในความมั่นคงกล่าวคือจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่เสมออะไรที่พูดที่ทำ หรือที่เคยคิดมาแล้วจําได้ดี 4. สมาธิก็มั่นคงกล่าวคือในระหว่างที่ใช้สมาธิอยู่นั้นอย่างน้อยนิวรทั้งห้าไม่ครอบงำนิวรณหกามฉชันทะความพอใจติดใจในกามคุณ คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าปรารถนาที่น่าชอบใจพยาบาทความไม่พอใจทินมิทะความขี้เกียจท้อแท้อุทธจักกุฎกุจจะความฟุ้งซ่านรําคาญใจวิจิกิจชาความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจสมาธิมั่นคงถ้าอย่างสูงหมายความว่าสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ลึก จนกระทั่งมีรู้สึกถึงร่างกายไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกมีแต่ความรู้สึกอยู่ในใจเท่านั้นและความรู้สึกที่ว่านี้ก็สงบนิ่งไม่หวั่นไหวและเป็นกลางคือไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์และเมื่อต้องการจะเปลี่ยนอารมณ์ก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีจะให้อยู่กับอารมณ์อันใดหรือข้อคิดอันใดก็มีแต่อารมณ์ น, นั้นข้อคิดอันนั้นหรือเมื่อจะต้องการให้ความรู้สึกนึกคิดดับ ก็สามารถทำได้ทันทีจะให้ตื่นเวลาไหนก็ได้นี่คือสมาธิขั้นสูงมาก 5. าปัญญาที่จะช่วยให้มีความจำดีอย่างวิเศษและทำให้เกิดความปราดเปรืองในทุกวิชาการต้องเป็นปัญญาชนิดที่เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสคือทำให้ตัณหาอุปาทานในสันดานน้อยลงไปโดยลำดับ ซึ่งถ้าเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแล้วหมายถึงปัญญาที่ช่วยทำให้ใจเป็นอิสระจากตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงใจไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเหมือ น, มนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มหรือเหมือนน้ำบนใบบัวซึ่งปัญญาที่ว่านี้คือปัญญาของพระอระหรันต์